จะนะลั ง, ง ร, รมกันหลังจากที่เราได้ฟังพระพุทธเจาวว้าแสดงธรรมเรียกว่าทางอาเรียมัก มีองค์แปดประการจากโทษของพระ อ, องค์จะเหมือนมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเราจะมาทำให้เป็นเรื่องชีวิตของเราอย่างใกล้คิดนั่นก็คือชีวิตของเราทั้งหมด ทั้งแปดประกานั้นเมื่อย่อลงมาก็คือสินสมาธิปัญญาอันสินสมาธิปัญญานี่ถ้าเป็นภาคปฏิบัติจริงๆม่ต้องเป็นปัญญามาก่อนจึงค่อยมีสินจึงค่อยมีสมาธิในภาคปฏิบัติเหมือนกับ เราเคยคินในในคําพูดว่าโลกโกรธหลงต่อภาคปฏิบัติจริงๆที่จะเอาชนะโลกโกรธหลงได้มันต้องมีความหลงเอาก่อนถ้ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธในภาคปฏิบัติ มาเจอกับความหลงจึงจะเป็นการละโกรดละโลกได้จะมีศีลมีสมาธิจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีปัญญามาก่อนปัญญาต้องขึ้นก่อนในภาพปฏิบัติอย่างที่เราสวดธรรมจักปัญญามาก่อน ธรรมาทิฏินั่นปัญญาตมาอะไรดําหลีชอบนั่นก็คือปัญญาความดั่หีชอบการโทษจจชอบจึงค่อยเป็นจิงเกิต้นสมาทิทฐิ ความระลึกชอบสมมาก็ต่อมาก็ความรับริชอบเป็นปัญญาต่อมาก็มาสมมาอาจาร้จาชอบเป็นศีลแล้วมาต่อมาอาชีวาเรื่องชีวิตชอบเป็นศีลแล้วต่ ม, มากรรมมันโต การเลี่ยงคิดชอบเป็นสินแล้วการนานชอบเลื่องีคิดชอบผู้จอดชอบเป็นสินรวมแล้วเป็นห้าประการหล่วต่อไปก็ต่อไปถึงการถ้าเพียนชอบเป็นสมาธิ ถ้าเพียนชอบหมายถึงตัวปฏิบัติตั้งที่เราทำอยู่นี้มีสติดูกายดูเวทนาดูกจิตดูธรรมเป็นตัวปฏิบัติการตั้งใจมั่นชอบไม่เป็นสมาธิถ้าเพียนชอบอ่า ก็พส า, าจะมันก็จะนะเเป็นภาคปฏิบัติคือเราทำอยู่เนี่ยแล้วในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นความชอบความถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเราก็คือชีวิตเราเวลาเราปฏิบัติก็มาเจอความหลงเราเปลี่ยนความหลงความรู้นั่นแหละเป็นตัวปฏิบัติ เพราะมันมีหลงมีรู้เราก็เห็นมันหลงมันก็มีฉิตรู้ได้เป็นตัวปฏิบัติลงไปเห็นกายเห็นกายหลงที่กายเหตุให้เกิดที่เกิดความหลงก็มีอยู่ที่กายเอาเอากุความหลงไปเลย ที่กามีสติดูกายความหลงอยู่ที่เวทนาเป็นแหล่งความหลงก็มีสติเห็นนัน่นคิดมันก็เป็นแหล่งความหลงทำก็เป็นแหล่งความหลงไปเข้ากุแห่งความหลงลื้อบางแห่งความหลงเพื่อจะพ้นไปจาก สี่ประการนี้แล้วก็ผ่านไปอะไรที่ไม่หลงกายไม่หลงเวทนาไม่หลงกิจไม่หลงธรรมแล้วก็เบาบางไปแล้วในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็บุกเบิกด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไร มีภาวะที่พร้อมที่จะเห็นือความรู้สึกตัวเนี่ยนี่แหละสมาธิมีสติมีสมัมเชยะพร้อมที่จะเจอกับอะไรก็ได้ถ้าได้มีสติมีสมัมเยะแล้วมีความพร้อมสูงสุดในการที่จะ ทำความลายเป็นความดีตามความผิดให้เป็นความไม่ผิดทําความถูกให้เป็นทำความทุกข์ให้กลวามไม่ทุกข์จึงเห็นไปเห็นไป็นไเห็นทุกอย่างจึงใดที่เกิดกับกายจึงใดที่เกิดกับจิตใจเห็นหมดทุกอย่างเื้าว่าดูดูแล้ว เห็นแล้วรู้แล้วเนื้อรู้มันไม่ใช่รู้เฉยๆเดียกว่าต่อไปก็เดียกว่าเห็นภาวะที่เห็นภาวะที่รู้เห็นเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็อ๋อต้องมัน่อมัน ตำมหลีออกไปเดีวหาต้นต่อมันเหตุที่มันหลงมันเพราะไม่รู้ไ ม, ไ, มไม่ใช่ไปแก้ความหลงว่าไม่ใช่ไปแก้ความไม่รู้ไปเปลี่ยนความหลงเองไปเปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงเทียกว่าอินทรีย์ พลังฮ้าจ้าเหมือนกับว่าศรัทธาศรัทธาตั้งไว้มีความเชื่อตั้งไว้ว่าเนี่ยคือสติมันรู้จริงๆมันไม่หลงจริงๆไม่มีศรัทธาก็มีความเพียรเข้าไปประกอบเรื่อยๆให้มันภาวะที่รู้อยู่เรื่อยๆ ไม่อยภาวะที่รู้อยู่เรื่อยๆมันก็มีสติที่เป็นคู่กับความเพียรทำในสิ่งที่มันมีเช่นเรามากำหนดลมหายใจเขาออมายกมือสร้งางจังหวะมันก็มีอยู่มันมีความรู้อยู่กับความรู้นั่นเองเรียกว่าปลุกลงไปขณะที่มันรู้อยู่มันก็รู้จัก ผิดด้จักถูกเวลามันหลงก็เปลี่ยนโ้หลงเป็นความรู้ด้จักเปลี่ยนร้ายเป็นดีนั่นคือปัญญาแล้วจึงคู่อยู่เสมอว่าถ้ามีสติมีสัมยญะมันก็มีแล้วความชั่วก็ทำความดีก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่ง่ายไม่ยากจนว่าอันเห็น เห็นแล้วจนไม่เป็นกับสิ่งต่างๆไอเห็นแล้วไม่เป็นกับสิ่งต่างๆหรือว่านิโรธก็ได้พ้นแล้วพ้นจากภาวะที่เป็นสุขก็ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่เป็นพ้นไปแล้วการหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆจนไม่เป็นอะไรนั่นแหละหรือ ว, ว่าวนิโรธแล้วจากนี้เรื่องอะไรหรือ ว, ว่า อริสัจสี่ 4. ทุกสมัมมาชัยใิโลธมากพรอมอยู่ในข่าวเดียวเสร็จเลยเมื่อเราเห็นเห็นงูเห็นงูไม่ใช่อยู่เฉยๆประวัตที่เห็นมันก็หลุดพ้นในข่าวเดียวกันเลยเห็นอะไรก็พ้นจากสินั้น ถ้าเป็นสติเป็นจัมชิชยะนะเห็นสิ่งไหนก็พ้นจากสิ่งนั้นเห็นงูก็พ้นจากงูกันเห็นผิดก็พ้นจากผิดเห็นทุกข์ก็พ้นจากทุกข์เห็นความโกรธความโลภความหลงก็พ้นจากความโกรธความโลภความหลงาว่าที่เห็นเนะี่ยแล้วก็การเห็นกับการเป็นมันก็บริสุทธ์กว่ากันมาก การเห็นเหมือนกับเราอาบน้ำสะาดแล้วการเป็นเหมือนกับขณะที่เปียกน้ำถูสบู่ร่างกายกำลังเปื้อนก็สัมผัสดูก็รู้ไม่ต้องมีคําถามภาวะที่เป็นเนี่ยเหมือนกับเราอาบน้ำถูสบู่ใหม่ใหม่ จะเลิกตอนนั้นมันไม่ยอมยังไงยังไงต้องอาบให้เสร็จไม่มีน้ำน้ำก็ไม่ไหลหาธีอื่นหาอาบันได้ถ้าไม่มีเฉพาะหน้าแต่ราภาที่เห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกับวัตถุภายนอกมันอยู่กับเราพร้อมที่จะทำให้สะอาดได้ ความสะอาดมันก็บอกอาบน้ำเสร็จถูสัมผัส ด, ดูความสะอาดมันเกิดขึ้นไม่ต้องมีคำถามใดๆมันก็เกิดความสะอาดขึ้นมาความสะอาดมันเกิดขึ้นแล้วเราก็อยู่อาบน้ำไม่มีใครมาบอกเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า <c oughs> นี่คือ สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็รู้เมื่อก่อนนี่เปิดเพื่อนบัด น, นี้มาสะอาดสอาดแล้วแล้วก็สัมผัส ด, ดูความสาดควาเปิดเพื่อนในชีวิตของเราก็เช่นกันภาวะที่เป็นมันสกปกภาวะที่เห็นไม่เป็นเนี่ยมันสาด โดยที่มันต้องทบอะไรอาชาจะเปรียบก็หามายเหมือนการอาบน้ำง่ายนิดเดียวมันต้องมีวัตถุที่ที่สองในภาวะที่มันหลงก็มีความรู้อยู่ที่นั่นด้วยในภาวะที่มันทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่เช่นด้วยอะไรก็ตามมันมีคู่อยู่ง่ายงาย่มันชั่นชั่นถ้าหากว่าปล่อยทิ้งมันก็ยาวไปแค่เราอาบน้า ไม่สะอาดถูสบู่เราเลิกไปเลยไปน่องเสื้อผ้าไปทำอะไรก็ยังละขายเกอกไม่สะอาดอะไรก็มีคำตอบในตัวเราเนี่ยเราจึงไม่ต้องไปหาค้นหาน้าที่ใดสัมผัสเข้าไปสอนตัวเองเข้าไปฝึกตัวเองเข้าไปให้ให้ให เป็นการกระทำที่เกิดกับเราทุกอย่างภาวะที่เห็นภาวะที่เป็นได้จะเป็นคําพูดความสุดท้ายจะว่าไม่เป็นอะไรก็ไม่ถูกต้องไม่รู้จะพูดยังไงหรือจะว่าเป็นเช่นนั่นเองแต่ก็เป็นสมมุติเป็นคําพูดโจรภาวะที่ไม่เป็นเนี่ยภาวะที่เห็นไม่เป็นเนี่ยมันเป็นคํา พูดที่บอกสมมติเราพูดกันไม่ค่อยได้ถ้าเราได้สัมผัสเราก็บอกว่าอืมมันละ่ะก็บอกเออคือวิปัสสนาเห็นอะไรก็เออไปหมดเลยเพราะที่เออเนี่ยเอาเคนเขี้ยงเกาก็ะว่าเป็นเช่นนั่นเองความทุกข์ก็เป็นเช่นนั่นเองความพ้นทุกข์ก็เป็นเช่นนั่นเองก็เท่านั่นเอง ในภาวะที่ความทุกข์ถ้าถ้าถึงภาวะเป็นเช่นนั่นเองในความทุกข์ก็ไม่มีรสชาติถ้าพ้นจากทุกข์ก็เป็นเช่นเดีงมันกม็มีอะไรภาวะอย่างเนี้ยมันเรียกว่าเป็นวิปัชนายานก็ว่าได้รวงพ้นภาวะเก่าเราไม่ใช่ว่า จะทำความเพียรจะไม่หลับไม่นอนแต่ยังเป็นอยู่เป็นผู้ผิดไปผู้ถูกอยู่มันก็ไม่มีไม่มีผลงานอะไรถ้าทําความเพียรเดินจงกรมไม่หยุดไม่ย่อนถ้าจังหวะไม่หยุดไม่ย่อนแต่ยังมีความ ผิดความถูกมีความพอใจความไม่พอใจเวลามันรู้ก็พอใจเวลามันไม่รู้ก็เสียใจมีผิดๆถูกๆอยู่มันก็ไม่เสร็จสักทียกภาวะที่เป็นนั้นให้เป็นภาวะที่เห็นมันเจ็บง่ายๆให้มันโล่งไปหมดเลยไม่มีอะไรขวางขันมันโล่งไปก็จวะว่าว่างกว่างไป าภาวะที่เป็นอะไรหาสิ่งที่ให้มีรถวิชาติกับภาวะที่เป็นไม่มีเป็นความพอใจเป็นความไม่พอใจแล้วก็ไม่เป็นความพอใจไม่เป็นความไม่พอใจมันก็จะเป็นอะไรล่ะเป็นคําพูดของผู้ที่สัมผัสเป็นการ รู้จากผู้ที่ได้สัมผัสไม่เป็นไม่เป็นคาพูดให้เป็นสื่อเป็นการสัมผัสเป็นปัจจัตตังเป็นของส่วนตัวแบ่งปันก็นไม่ได้ถ้าจะเป็นคาพูดก็เป็นสมมุติปัญญตาตว่าถอนความพอใจ และความไม่พอใจในโลกเสียได้เป็นสมมุติบัญญัติอันที่จะถอนอันที่ทำนะ่ะเปนการกระทําของของแต่และชีวิตเข้าไปถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมามีสัมปชัญะมีสตินั่นก็เป็นครับพูด ถ้าเป็นคําพูดเราไปจำเอาคำพูดเฉยๆเป็นความรู้มันก็ไม่สําเร็จแต่ก่อนที่พูดออกมามันทําได้แล้วเช่นเรากินข้าวเราอิ่มแล้วจึงบอกว่าอิ่มแล้วอ่ายังไม่กินข้าวยังไม่อิม่มจะบอกว่าอิม่มมันก็ไม่ไม่ใช่ความอิ่มมันบอกความหมิวมันบอก ความทุกข์มันบอกความพ้นทุกข์มันบอกถ้าความพ้นทุกข์มันบอกถ้าความทุกข์มันก็แสดงเป็นความทุกข์ถ้าความพ้นทุกข์ก็แสดงความพ้นทุกข์จากผู้ที่สัมผัสนั่นเองเราจึง เร็นงของส่วนตัวเป็นปัจจัตตังอย่าคิดว่ามันยากให้มันง่ายๆอาจารย์ูทุทธาตพูดว่าทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรแต่ว่าคำว่าไม่ทำอะไรไ ม, ไม่ใช่ว่านัน่งอยู่นอนอยู่ แต่ว่าการเดินการทำงานทำวานเขียนหนังสือเตรียมการที่แสดงธรรมมันเป็นกิริยาแต่การทำของผู้กระทําไม่มีตั้งหวันฉันไม่ทําอะไรเลยมีแต่กิริยาไม่เป็นกรรมอะไรสักอย่างจะให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโท ษ, เ ป, โทษเป็นขนต่อ ตัวเองเลอกคนอื่นเป็นไปไม่ได้นอกจากตัวใครตัวมันที่ทำเอาบางทีการสอนธรรมะคนอื่นสอนก็ดีบางทีการสอนธรรมะเราสอนธรรมชาติมันสอน ความหลงมันสอนทำให้เรารู้เห็นความหลงเปลี่ยนความหลงไปความรู้ธรรมชาติมันบอกผู้ใดเห็นธรรมพน้นนะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมเคยเห็นความหลงจึงมีความรู้ เห็นทำคือเห็นอะไรเห็นปฏิจจสมุปบาทถ้ามันไม่หลงก็ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเหตุที่มันหลงเพราะไม่รู้เหตุที่ไม่รู้เพราะไม่ได้ทําไม่มีสติเหตุที่ไม่มีสติเพราะได้เพราะไม่ได้ทำความเพียนไม่ได้ตั้งไวนะ้ผู้ได้เห็นเหตุ อย่างนี้แต่ว่าเห็นปฏิจจสมบาตเห็นปฏิจจสมบัติคนเห็นพระธรรมอ่านพระธรรมในสอนเราธรรมชาติสอนเราธรรมะคือธรรมชาติมันสอนเราไม่ใช่ให้คนอื่นสอนคนอื่นสอนมีไม่มากเราสอนตัวเองทั้งทั้งวันก็อนอยังได้ ถ้าคนสอนบางทีเราอาจจะจำเอาถ้าคนสอนเราก็มองเราถ้าคนสอนเราไม่รู้เรามันก็มีเครื่องรับเหมือนพระเจ้าสอนัาจาับวีจาจับวิี ตั้งแต่ บ, บปพปัติยมหานามะไม่มีเครื่องรับสันกรดัญญามีเครื่องรับพระพูทเจ้าแสดงโกลัญญาก็มีเครื่องรับเหมือนเรามีเครื่องส่งมีเครื่องรับเดี๋ยวนี้เครื่องส่งในอากาศในช่องฟ้ามี เครื่องส่งเต็มไปหมดไม่ว่าถ้าเรามีเครื่องรับเปิดขึ้นมามันก็รับได้เขาพูดหลายที่หลายเห็นแม้กระทั่งภาพถ้าเราไม่มีมก็รับไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรมันต้องมีส่วนประกอบถ้าเราเคยได้มีสติเคยสุกเคยทุกข์เคยผิดเคยพอใจเคยไม่พอใจ เมื่อมีผู้พูดพอใจไม่พอใจอย่างที่เราได้ฟังอาริบัติองเกตสัมมาสมาธิสมมาสตินั่นมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํา แล้วก็ทําให้สติเห็นกายอยู่เมื่อมีพูดมามีพูดมาไม่มคนมาพูดเรื่องกายก็มีสติเราก็เห็นอยู่เที่ยวว่าเราในเครื่องรับคนทัญญามีเรื่องนี้ได้ทําอยู่แล้วหาคำตอบอุดแล้วยังไม่ได้คําตอบพอมีผู้มาบอก เหมือนบัวค้นจากน้ำรอแสงอาทิตย์ส่องพร้อมเชียบบานชีวิตของคนบางคนไปเช่นนั้นถ้าเราไม่มีความพร้อมเป็นบัวอยู่ใต้ดินอยู่มันก็ชาลงไปเหมือนพระปพัติยมหานามะทำลำดับเวลาพระเจ้าแสดง พระปภะัทยมหานามะมหาหน้าสู้ห่านข้างใสเอามือขีดตินเล่นจูจรถอนกลนทยะห่านหน้าใสพระพุทธเจ้าวางก็ก็บานได้ในการกระทำความเพียรของเราอาศัยคนอื่นบอก ก็ไม่สำเร็จออกต้องอาศัยตัวเจ้าของนี่แหละเห็นเอาคนอื่นบอกเราไม่ดูก็ไม่เห็นเรามีสธิเห็นกายอยู่เป็นปรจอมอะไรที่มันเกิดที่มันหลงกายที่มันรู้กายแล้วก็ได้ทำอยู่เห็นกายอยานุปัชฌนา อะไรที่มันหลงที่กายแล้วก็รู้ว่าพระเจ้ามาแสดงก็ตั้งใจฟังเข้าไปประกอบเข้าไปหาเครื่องทุนแรงเข้าไปช่วยในการแสดงธรรมขั้งแรกนั่นถ้าเราฟังดูเนี่ยมีทฤษฎีที่ยอดเยี่ยมมาก เหมือนกับการจักผ้ายอ้อมผ้าพอที่ยอ้อมผ้าสาอาแล้วก็อเอาไปย้อมก็ติดสีที่ต้องการทันทีเนอมันเป็นลำดับพอมีเห็นกายก็เห็นเวทนาต่อไปเป็นหมูเข้าไปเรียบหมูสี โมศโมนงโมสองโมสาโมศโมนงเอกะโมสองทุกะโมสติกะโมศจตุกะไปไปโมหาปัญจกะ หมู่สามเมลัยบ้างศีล ส, สมาธิปัญญามาเป็นกลุ่มหมู่สองคือจิตสัมผัสัญญาขาดก็ไม่ได้หมู่ 3, สามศีลสมาธิปัญญาตจรักกไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ก็มาใช้ตัวตนหมู่สามมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเรานี้เมื่อเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ เห็นควา ม, มทุกข์ก็เห็นความไม่ใช่ตัวตนเกินอีกไปได้จากพวกนี้เรียกว่าสามัญลักษณะไตรักถ้าหมูสีถ้าจีจทธิบาทจสติปัฏฐานใจใหเป็นหมูไอ้มักอ่า อริสัตยสี่แบ่เนี่ยหมู่ห้ 5, า ก, ก็ศินห้าปัญจกะอละห้าอริยเป็นห้าเป็นท่าเป็นหมู่ไปในกายในใจด้วยไม่ใช่ไปเขียนไม่ใช่ไปเขียนในหนังสือมันออกจากกายซะก่อนปฏิบัติปริยัติเป็นสองทางดำเนินที่จะคลองมันต้องปฏิบัติมาก่อน ยังค่อยมีปริยัติทีหลังแต่พูดหมู่สองก็เห็นมานแล้วสติซ้มชัญญาแต่ก่อนไม่ค่อยลำดับกันก็ชุยกระจายอยู่ในคำสอนมีพระมาหาสมาเจ้ากลมหอยาวาาาวชิลาญาณวโรรสล้อยกองออกมาเขียนออกมาถอดออกจากพป้นไปไปก มาเลี้ยงลำดับให้เป็นหมูเป็นหมูปเป็นหมวดเป็นหมวดปให้เรียนเราก็เรียนได้เรียนได้ท่องจำได้บางคนก็ท่องจำได้รู้ได้แต่ไม่เห็นมันเป็นการคิดเห็นรู้จำไม่ใช่รู้แจ้งถ้ารู้แจ้งเกิดจากการปฏิบัติเนี่ย เราได้ทำสติชำชัญญะเกินนี่ไปไม่ได้สติชำชัญญางูที่อุปการละคนอุปการละมากเหมือนพ่อเหมือนแม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยกันกับชีวิตเราอำดีในปางก่อน ตติสชสมชยะนี่มีปางก่อนต่อไปก็จะได้อาศัยเหมือนพ่อเหมือนแม่ทำดีกับลูกตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดถึงเกิดมาแล้วเรียกว่าก่อนนั้นก่อนที่เราเกิดพ่อแม่ทำไ่แล้วทำดีแล้วเลี้ยงเรามาจนโตเนี่ยเรียกว่าบุ ป, ปกาลีบุคคล พระพุทธเจ้ายัางเปรียบเทียบสองข้อนี้ทำสองข้อนี้เหมือนบุประกาลีบุคคลมีคุณถ้าเรามีสติด้าเรามีสมชญะญแล้วก็ละความชั่วันก็ทำความดีนี่อุปกาละคนไว้ในปางก่อนวันนี้จะเป็น อดีตของวันพรุ่งนี้ให้เรามีอันนี้ไว้สร้างไว้เราปางก่อนเยียว่าบุพเพกตาปุญญาตาอัตตสมาปนิธิแต่ตัมมังคารมุตตัมังเป็นผู้ทำบุญไว้ปางก่อนแล้วทำดีไว้ปางก่อนแล้วตติสมัยยะ เลาว่ามันก็จะมีใช่ต่อไปเรียบปฏิบัติมาก่อนปริยัติคอยรู้ทีหลัง <c oughs> บางทีเราไปท่องไปจำมาแสดงมันไม่มันไม่ชัดเจนให้เห็นจึงมาบอกพบเห็นจึงมาบอกถ้ายังไม่พบเห็นไปที้ ไม่รู้ไปขี้ก็ไม่ถูกถ้ารู้แล้วไม่ขี้ก็เสียเปล่าต้องรู้ท้งขี้เนี่ยใช่ได้ถ้าไม่รู้ไม่ขี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงมีครูอาจารย์จึงมีการบอกการสอนการบางเป็นบางข้างบางข่าว เราผู้ที่เป็นการศึกษานักศึกษาก็อยากไปอาศัยอาจารย์เกินไปให้อาศัยตัวเราเพียงแต่บอกว่าให้มีสติจำชยยะนะนิสติเป็นหน้ารอบลองใช้สติเป็นหน้ารอบลองดูแลืลากายก็เห็นกายนี่หูก็ได้ยินหูให้มีสติอยู่ที่การได้ยินได้ฟัง ให้มีสติโยกการพบการเห็นให้มีสติโยกการตามผัสร้อหนาวให้มีสติโยกการขอบคิดแต่ ว, ว่าหน้าโลกไว้ใช่สติโยกการยกมือสร้างจังหวะไม่ใช่สติโยกการเดินจงกมรมลูรบรอบลูบเบารูบซื่อสออติมันซื่ อ, อไม่ใช่ มัใช่เชีมเหมือนกับลิ่นกระทบรสอันนี้เผ็ดอันนี้เค็มอันนี้หวานนี่เปรี้ยวสติมันไม่มีรสแบบนั้นมันรสจืดๆเห็นเล่าก็รู้ชื่อๆืเห็นชื่อๆือไม่เป็นอะไรวันสุกก็เห็นมันสุกซื่อชื่อไม่เป็นผู้สุกวันทุกเห็นวันทุกขื่อื่อ ม, มันพอใจเข้มก็บรรพพอใจซื่อๆไม่ได้มีรดแห่งความพอใจไม่มีรสแห่งความไม่พอใจนี่ว่าซื่อๆรสจืดๆอาหารรสจืดเนี่ยอย่าว่ามันไม่มีประโยชน์นะเดี๋ยวนี้คนชอบกินอาหารรสจืดๆอย่างหลวงตาเนี่ยเขาก็บอกหว่อ ก, อกให้กินอาหารรสจืด เพรามัมีความดัน <c oughs> อาหารจรจืดเนี่ยอาจเป็นประโยชน์อาหารรสจัดไม่ค่อยมีประโยชน์ระวังให้ดีร้านอาหารลดจัดระวังให้ดีมันปรุงมันแต่งเกินไปอะไรอะไรก็ปรุงแต่งเกินไปมันผิดเพี้ยนไปอย่างเปีงไก่ขมมัก ผงโจข้ามคืนสมมติเขาจะปิ้งวันนี้เขาซื้อไก่สดมาหมักรถหมักผงจุรถอะไรน้ำปลาใส่ลงไปหมักไว้แช่ไว้เวลาเขามาปิ้งเห็นไหมเขายังฝายเอาอน้ำแช่สงโุรสมาใส่ปิ้งอยู่เห็นไหม <c oughs> คือเขาหมักเพื่อให้มีรสชาติ หมักหัวไก่เทียมด้วยใส่ลงไปน้ำปลาผงโซลตเผาหัวกก่เทียมใส่ลงไปตอนนั้นไม่พอยังเอาหัวกก่เทียมมาโรยลงไปที่ปิ้งไก่ให้เราเห็นเอามากินก็โอ้รถจัดรถจัดเราแช่ติดรถกันในสุขก็มีรถในทุกข์ก็มีรถหารถกันยินดีในรถพอใจในรถ สมมติเอาว่าชอบว่าไม่ชอบพอใจไม่พอใจแต่ความชอบความไม่ชอบไม่ใช่ของจริงเป็นของปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วก็เสียเปียบความชอบความไม่ชอบความพอใจความไม่พอใจในความพอใจเกิดความไม่พอใจในความไม่พอใจเกิดความพอใจนะ อันก็หลอกเราไม่ใครหลอกตัวเราเท่ากับตัวเราให้รู้มันชื่อชื้อดูชื่อชื่อไม่เป็นไรกับมันนี่คนของจิตคนของเจปัญญะไม่ใช่คนของสุลาจิตเข้าไปแล้วไปไม่บ้านก็นอนสบายอยู่ได้อันคุณของสุลา กินเข้าไปแล้วเห็นการฆ่าการตีกันเป็นเป็นเป็นการสนุกนั่นคนของสุลลากินเขา้ากินเข้าไปแล้วนอนกับหมาก็ได้เป็นคนของสุลลาคนของสติไม่ใช่มีรสชาติแบบนั้นไม่พอใจและไม่ไม่พอใจไม่สุขไม่ทุกข์ จอมผ่าดูให้ดีๆให้มันถึงกับคุณของสติเห็นกายสว่ากายไม่ใช่สัตว์ปคุคลโตตนเราเขานั่นละ่ะคุณของสติถ้าเห็นกายปกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่สติแล้ววานเลิดมันกลายไปแล้วถ้าเป็นข้าวก็เป็นข้าวกลายไปแล้วข้าวหมายแย่งกินไม่อร่อย ไม่ใช่ข้าวพันแท้เป็นข้าวพันกลายไปแล้วข้าวเขากรุงดีๆไม่รู้จักคัดเลือกใช้ไปนานนานเข้ากับดินฝ้าอากาศก็กลายเป็นข้าวหมายแยง่งหมาก็ไม่อยากม่ันไม่เป็นข้าวมันเป็นพืชอันอ่นไปยืดของเราเนี่ยถ้าไม่สงวนเอาไว้ก็กลายพันได้ มาดีีดพ่อแม่ป้อนนมป้อนข้าวมันกลายพันไปกินเหล้าไปสุบุรีกลายพันแมงชีวิตของคนกลายเป็นเปะเป็นสลลายไปได้ต้องสองวนพันรักษาเอาไว้ให้มีสติมีสัมชัญญะกายจะว่ากายไปเลย เวทนาศักวาเวทนาไปเลยจิตสักว่าจิตนี่ผันแท้ทำศักวาธรรมไม่ใช้จัตุคุลตนเราเขาไม่กวรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าตัวว่าตนของเรานี่ผันแท้อย่าไปเอาสุขก็คือเราสุกทุกข์คือเราทุกข์มันกายพันมันหลอกความหลอกมันมีมากมายในตัวเราเนี่ย จึงไม่เป็นอะไรกับอะไรไนงะหลักฐานมันอยู่ตรงนั้นไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นเช่นนั้นเองหลักฐานพันเดิมเลนะสูภวะวเดิมสู่ถิ่นบ้านเกิดสูแหล่งที่ไม่เป็นอะไรถ้าไม่เช่นั่นมันไปไกลนะตาก็ไปไกลหูก็ไปไกลจมูกก็ไปไกลลิ้นก็ไปไกลกลายก็ไปไกลจิตใจก็ไปไกล เราจึหยุดไม่เป็นอะไรกับอะไว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเนี่ยหลักไปอยู่ตรงนี้ร้อยวันวั น, วนปีก็อยู่ตรงนี้วันเสาร์วั น, ววนทิตร์ก็อยู่ตรงนี้เดือนหนึ่งเดือนสองเก้าสิบเอ็ดสิบสองก็อยู่ตรงนี้ปีชวดปีฉลูปีขามปีโตมุลงไว่เสีงม่เมียไม่แ ม, ม, ม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เป็นอะไรเลยกว่าชีวิต ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรกับอะไรเนี่ยหัดตนสอนตนอย่าให้มันซัดไปภาวะไม่เป็นไรกับอะไรเนี่ยมันได้ทุกโอกาสยืนเดินนั่งนอนอยู่กับภาวะไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นโดงรูปรสจิ้นเสียงไม่เป็นไรกับอะไร เดี๋ยวคนเดียวก็ไม่เป็นไรกับอะไรอยู่กับหมูก็ไม่เป็นไรกับอะไรไม่ใช่ตกหมูแล้งเป็นแล้งตกหมกาเป็นกาไม่ใช่นกเป็นหูหนูมีปีกด้จากไหมนกเป็นหูหนูมีปี ก, ก น, ก น, นกะข้างขาวไปอยู่ในพงหนูอยู่หนูก็บอกว่าไอ้เจ้าเป็นนกอะมาอยู่กับเราทำไม ไปอยู่บนกิ่งไม้นูน้นตาลังอยู่ยอดไม้น้นมานอนกับเราทําไม้หนูบอกข้างเมันทําะไรล่ะแล้วก็หูไปอ้าว น, นี่เราเป็นหนูนะไม่หูเนี่ยอ่ <laughs> าบางทีข้างเขาวไปนอนกับหลังนกอยู่ยอดไม้นกก็บอกไอ้เจ้าเป็นหนูมาอยู่กับเราทําไม้ไปอยู่ในโพงไม้ น, น้น ข้องเขาก็ะพือยปีกออกเราเป็นนกนะนกมีหูหนูมีปีกเอาไปอวดร้างนะ น, นั่นไม่ใช่มาจะอาสาไัยร่างว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนเร็วไปตู่เอาทําดีไม่ได้ทาชั่วได้ง่ายที่จริงไม่ใช่อนะนกมีหูหนูมีปีกยาวอะไรบางอ่ะ เราสุขเราทุกข์เราพอใจเราไม่พอใจนกมีหูหนูมีปีกไปตูเอาเพื่ออยู่อาศัยเขาไม่ใช่เราต้องเป็นตัวของเราเองเนี่อยนะ <c oughs> อ่ ะ, ะอากาป่าฟ้มกัน